คนทั้งหลายปรารถนาก็คือการมีอายุยืนนะเดตอนี้เนี่ยพรสีปา ก, การเนี่ยทีชาวพุทธจํานวนมากเนี่ยอยากจะให้บังเกิดขึ้นกับตัวเองข้อรกคืออายุนะอายุในที่นี้กหมายถึงการมีอายุยืนนะเวลาถึงวันเกิดเราก็อยากจะได้ยินคําอวยพรให้มีอายุยืนหลายปีนะหรือถ้าอวยพรให้มันสอยคล้องจองอนะไรก็อายุยืนหมื่นปี คนส่วนใหญ่ก็อยากจะมีอายุยืนนะร้อปีหรือว่าอาจจะไปถึง120ปีแต่ส่วนใหญ่คนที่อยากจะมีอายุยืนอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นคนหนุ่มคนสาวหรือคนวัยกลางคนถ้าเป็นคนแก่จริงๆเนี่ยเชื่อมีน้อยนะที่อยากจะอายุยืนไปถึง100ปีมีคุณยายคนหนึ่งอายุ100ปีนะ ในช่วงท้ายๆของชีวิตท่านเนี่ยเวลาลูกหลานเหลนมาอวยพรขอให้ท่านมีอายุยืนเป็นรมลมโผล่มใส่ของลูกหลานเหลนท่านก็มักจะออกตัวว่าเนี่ยไม่ไหวแล้วลูกหลานเอ้ยอยายเผลอรับพรในีอายุยืนมาจน เพลินนะมีอายุยืนจนถึง90จึงรู้ว่าพาไปเส้นแล้วนะไม่ไหวแล้วลูกหลานเลยเกินจากนี้ไปมันก็มีแต่ทุกอย่างเดียวเนะียเกินจากนี้คือเกินจาก90นะหรือว่าอายุนะยืนไปถึงร0อยเนะี่ยคุณยายเนี่ย พออายุถึงเก้าสบกว่านี้ก็รู้แล้วว่าเนี่ยไอ้การมีอายุยืนนี่มันมันไม่ใช่ทรเท่าไหร่เพราะมันมันไม่มได้ทำให้เป็นสุขอย่างแท้จริงพอแก่ตัวมีอายุยืนปานั่นจึงรู้ว่าเนี่ยไอ้การมีอายุยืนเนี่ยซึ่งความหมายก็คือความแก่ชราน มันก็คือความทุกข์นั่นเองท่านนี้บอกเนี่ยเผลอรับพรในอา ย, ยุยืนจนอายุเก้าสิบปีถึงรั่วพลาดไปเสียแล้วแล้วคนที่มีอายุยืนจริงๆเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คิดว่ากายมีอายุยื น, เ, นยเป็นของดีเท่าไหร่ คนที่คิดว่าการยืดยืนเป็นของดีเพยอยืดยืดถึงร้อยเนี่ยเรียกว่าส่วนใหญ่นะหรือจะรับรอยทั้งรอยนี่ก็เป็นคนหนุม่มคนสาวคนวัยกลางคนหรือว่ายังห่างไกลจากความแก่ชาราห่างไกลจากอายุหนึ่งร้อยปีที่จริงเนี่ยที่ผู้คน โดยพ่อวัยหนุ่มสาวเนี่ยอยากจะมีอายุยืนเนี่ยหตุผลหนึ่งก็พ่อกลัวตายยังไม่อยากตายอยากจะมีชีวิตอยู่ต่ออยากจะมีชมีชีวิตยืนยาวแต่ก็อาจจะไม่ได้คิดว่าการมีชีวิตยืนยาวมันก็คือมันก็ต้องแลกมาด้วยความแก่ชาราหรือว่า มันต้องลงเอด้วยความแก่ชราแต่แม้กนั้นเนี่ยนะเมื่อไม่ได้คิดจริงจังเนี่ยแต่เพราะความกลัวตายเนี่ยก็เลยอยากจะมีอายุยืนแต่เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยม่มีการสอบถามความเห็นนะของคนญี่ปุ่นจำนวน 1,000 คนเครื่องหนึ่งเป็นผู้ชายเครื่องหนึ่งเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ก็สอบถามคนอายุวัยย0ถึง คำถามคือว่าอยากจะมีอายุยืนถึงรปีไหมบอกว่าส่วนใหญ่เลยนะบอกไม่อยากเฉพาะที่เป็นผู้หญิงนี่ประมาณ72บอเปอร์เซนต์บอกไม่อยากมีอายุยืนถึงร้อปีาผู้ชายเนี่ยผู้ชาย7จบอบอกไม่อยากมีอายุยืนถึงร้อปีส่วนผู้หญิงเนี่ยถึง 84% ส่นเนี่ย ก็บอกไม่อยากอายุยืนถึงร้อยปีนั่นมันเป็นข้อสวบที่เรียกว่าเป็นที่แปลกใจนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็อยากจะมีอายุยืนนับร้อยปีนั่นแหละแต่คนญี่ปุ่นเนี่ย70ถึง80บอกไม่อยาก ถามว่าทำไมไม่อยากนะเขาก็ตอบว่าเพราะไม่อยาเป็นภาระของลูกหลานของคนอื่นทีจริงเหตุผลคงจะมีมากกว่านั้นแหละเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีคนอายุยืนนับร้อยเนี่ยเป็นจํานวนมากเนืเกือบแสนคนนตอนนี้เพราะนั้นการที่เห็นคนแก่อายุยืน ถึง100ปีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากสำหรับคนญี่ปุ่นเลยแล้วคงเห็นนะว่าพอแก่ปานนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาพที่น่าดูเลยเนะพอพอแก่ถึงร้อยปีเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่นอนติดเตียงหรือไม่ก็ เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายที่จริงเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายก็ทำให้นอนติดเตียงอยู่แล้วไม่ว่า จ, จะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งไตาวายที่สำคัญคือโรคความจำเสื่อมโดยเพพาะอัลไซเมอร์ยอยี่งนี้มันเป็นภาพที่เห็นได้เยอะมากนในญี่ปุ่นเนี่ย คนอายุยืน1 0 0ปีเนี่ยไม่ได้มีชีวิตชีวากระฉับกระเฉงเลยนอนอยู่บนเตียงไม่รู้เนื้อรู้ตัวยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นอัลไซเมอร์วยแล้วนี่นเป็นที่สมเพศเวทนาของคนที่ดูแลมากนี่คือภาพที่ภาพของคนอายุร0อยปีที่คนญี่ปุ่นจำนวนมาก นะรับรู้ว่าเนี่ยพออยุยืนขนาดนั้นแล้วเนี่ยมัน ม, มันทุกทรมานอณนะนะยังไม่นับประเภทว่าอยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วก็ต้องกลายเป็นภาระของลูกหลานบางทีไม่มีลูกหลานดูแลด้วยซ้ำต้องไปอยู่ในสถานบริการของรัฐนะบ้านพักคนชรา แล้วก็อย่างหนึ่งที่เห็นก็คือว่าคนแก่ก็ไม่ได้เป็นที่เคารพนะนับถือเหมือนอย่างในอดีตเท่าไหร่อันนี้เป็นภาพที่เห็นกันมากขึ้นเรื่อยๆนะในสังคมปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นซึ่งมันต่างจากภาพของคนแก่คนชราอายุร้อยปีในอดีตนะ ในดีเนี่ยคนแก่อายุยืน่100ปีเนี่ยถึงแม้จะมีน้อยนะแต่ว่าจำนวนมากก็สามารถจะเดินเหินนะไปไหนมาไหนได้ช่วยตัวเองได้ความจำไม่เลอะเลือนแล้วก็ห้อมร้อมถูกห้อมร้อมด้วยลูกหลานเหลนนะจะเรียกว่าอยู่ท่ามกลางเครือญาติที่ อบอุ่นก็ได้อันนี้คือภาพของคนแก่นะเมื่อจะเรียกว่าร0 0ปีหรือว่า 60-70 ปีที่ผ่านมาในสมุมญี่ปุ่นที่คนแก่เขาอายุถึง1 0อปีแล้วยังกระฉับกระเฉงเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าที่จึงไม่ส่วนหนึ่งสาเหตุสำคัญเลยนะเพราะว่าเป็นพูกที่มียีนดีนะยีนดีทำให้แข็งแรงหัวใจก็ยังแข็งแรงปอดก็ยังแข็งแรง เดินเหินไปไหนมาไหนได้บางทีก็ปลูกผักทำสวนนะพวกนี้เนี่ยที่อยู่รอดมาได้ถึง100ปีเพราะยีนดีส่วนคนที่ยีนไม่ดีก็ตายไปก่อนนั้นนั้นแล้วแต่สมัยนี้เนี่ยแม้จะยีนไม่ดีนะก็สามารถจะอยู่ได้ถึง90หรือ100ปีเพราะอะไรนะเพราะว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์เทคโนโลยีทางด้านสาธารณสุข ถึงแม้ร่างกายจะ อ, อ่อนนะบางคนพิการตั้งแต่เล็กแต่ว่าก็ได้รับการดูแลจนกระทั่งอยู่ได้จนถึงร้อยปีแต่เนื่องจากยีนไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปอดหัวใจสมองเนี่ยพอถึงร0อยปีแล้วมันก็เสื่อมแล้วก็ลงเอยด้วยการที่เป็นคนป่วยนอนอยู่ในโรงพยาบาลอีกอย่างหนึ่งนะก็คือว่าคนทุกวันนี้เนี่ย ไม่เคยได้ออกกำลังกายเท่าไหร่ไม่เหมือนคนแก่สมัยก่อนออกกาลังกายมาตลอดชีวิตนะทำนาทำสวนทำไรแล้วก็อาหารที่กินก็เป็นอาหารที่มันถูกสุขลักษณะน้ำตาลไม่มากเนื้อก็น้อยส่วนใหญ่กินผักก็เลยอายุยืนแล้วก็สุขภาพดีด้วยต่างจากคนสมัยนี้อายุยืนก็จริง หรืถึงแม้จะยุดยืนแต่ว่าสุขภาพมไม่ดีไม่ใช่แค่ยืยนไม่ดีอย่างเดียวนะแต่เพราะว่าวิาวธีชีวิตมันมันไม่เอือ้อมันไม่เกื้อกูลด้วยเพราะว่าอาหารที่กินก็เป็นอาหารที่อร่อยก็จริงถูกปากก็จริงแต่ว่าน้าตาลเยอะไขมันมากเดี๋ยวนี้กินเนื้อกันเยอะมากแถมไม่ออกกาลังกายด้วยเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้เทคโนโลยีทางการแพทย์มันจะช่วยทําให้อยู่ได้ถึงร้อปีแต่ว่า หมดสภาพไปแล้วเมื่อถึงตอนนั้นเพราะร่างกายไม่ไม่แข็งแรงอันนี้ก็เป็นภาพที่คนสมัยนี้เห็นนะคนแก่พออายุถึงร้อยปีแล้วเนี่ยดูแลเนี่ยมันไม่ค่อยเรียกว่าอยากให้อยากจะเจริญรอยตามนะยิ่งเห็นเขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะไม่ได้อยู่ท่ามกลางลูกหลานเลี้ยเครือญาติอย่างคนแก่สมัยก่อนเนี่ย ก็เลยไม่ค่อยอยากจะมีชีวิตยืนไปถึงร้อยปีเท่าไหร่ยิ่งระยะหลังเนี่ยมันมีค่านิยมที่ไม่ค่อยไม่ค่อยชื่นชมหรือว่าสับสสุขนคนแก่ด้วยสองคมสมัยที่เป็นสองคมที่เชิดชูความหนุ่มสาวแล้วก็รังเกียจความแก่ชาราเห็นว่าแก่ชาราเนี่ยมันทำให้พอแก่ชาราแล้วมันก็ หมดคุณภาพไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้จะหาจะเสพสุขอย่างก่อนก็ไม่ได้สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมที่รังเกียจความแก่ชาราเห็นได้เลยนะีสินค้าที่โฆษณากันเนี่ยที่ขายดีก็เป็นสินค้าที่ทำให้ดูหนุ่มดูสาวดูกระฉับกระเฉงยาย้อมผมเนี่ย ขายดีมากนะเพราะว่าถ้าผมงอกมันก็ดูไม่ดีเดี๋ยวนี้เขาเรียกไม่เรียกว่าผมงอแล้วนะเขาเรียกว่าผมขาวถ้าบอกใครว่าเนี่ยเธอผมงอนะโหมันสุดเหมือนก็ดูถูกนะเหมือนก็ต่อว่าเลยต้องใช้คําสุภาพนะนะ ว, ว่าเนี่ยผมขาวนะแต่ผมขาวก็ต้องต้องยอมนะถ้าถ้าไม่ยอมนี่ก็ดูไม่ดีเลยยังไม่ต้องพูดถึงผิวที่เหี่ยวตกกราดเดี๋ยวนี้สุกอับอายมาก พระน้มต้องทำให้ดูหนุ่มสาวไม่ให้มีริ้วรอยของความแก่เดี๋ยวนี้บางคนเนี่ยแค่40บเนี่ยก็รู้สึกว่าแก่แล้วแต่ก่อนเนี่ยเรียกใครว่าป้าเรียกใครว่าลุงเนี่ยแม่มันกลายเป็นคำยกย่องนะแต่เดี๋ยวนี้ห้ามเรียกนะเรียกป้าเรียกลุงเนี่ยให้เรียกว่าพี่นะไเรียกว่าพี่เรียกนายยังไม่ยังไม่ได้เลยนะต้องเรียกว่าพี่นะใครได้ยินแล้วเออสบายใจ เพราะแสดงว่ายังไม่แก่ให้สังคมแบบนี้เนี่ยมันเป็นสังคมที่รังเกียจความแก่มีความสึกลบต่อความแก่แทนตัวตัวคนแก่เองก็รู้สึกแย่ไม่ดีกับตัวเองด้วยเมื่อพบว่าตัวเองนี่แก่แล้วมันก็แปลงนะคนเราเนี่ยพอคิดว่าตัวเองพอมีความสึกลบต่อความแก่แล้วเนี่ยไอ้ความเสือ่อมความชรานี่มันมันมาถึงเร็วนะแล้วก็โดนแรงด้วย อย่างที่อเมริกาหมหาวิทยาเยเวนก็พบว่าคนอายุ40เนี่ยถ้าคนไหนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อความแก่นะเช่นว่าคนแก่นี่เงอะงะนะเป็นภาระกับผู้อื่นนะทำอะไรก็ไม่ไหวนคนที่คิดแบบนี้น25ปีผ่านไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์มากกว่าคนที่เขารู้สึกบวกต่อความแก่ว่าเออความแก่ก็ดีนะ มันแสดงว่ามีวุฒิภาะวะมีประสบการณ์มากคนที่ยิ่งรู้สึกลดต่อความแก่มากเท่าไหร่เนี่ยในขณะที่เป็นวัยกลางคนเนี่ยพอถึงเวลาแก่ตัวจริงๆร่างกายมันแย่ลงเอาไซเมอรก็ถามหามีโอกาสเป็นได้มากกว่ายังไม่นัโกโรคหัวใจนะเพราะโรคหัวใจนี่เขาก็พบว่าคนที่รู้สึกลดต่อความแก่เนี่ยสมมติอายุ40ิเนี่ยพอเนี่ยหรือ40ปีผ่านไปนี่ เหนอการเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนที่เขารู้สึกบวกต่อความแก่ความชราและเดี๋ยวนี้นะคนส่วนใหญ่มันก็ ม, มีความรู้สึกลบต่อความแก่ความชร า, านั่นแหละอย่างที่พูดเพราะฉะนันพอถึงวลาแก่จริงๆนะมันก็เลยร่างกายก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงเต็มไปได้วยโรคภัยอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมเดี๋ยวนี้เราจึงเห็นคนแก่จํานวนมากเนี่ยยิ่งอายุถึงร้อยเนี่ยนะ อยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่ค่อยเชิญชวนให้คนเนี่ยอยากจะแก่อยากจะชาราเลยแต่คนเดียวนี้มันก็ตกอยู่ในภาวะที่กึนไม่เข้าใครไม่ออกนะในด้านนึ่งก็ไม่อยากตายแต่คนเดียวกันก็กลัวแก่ถ้าไม่ตายเนี่ยมันก็ต้องแก่อย่างเดียวแหละนะไม่อยากตายก็จริงแต่ว่าไม่อยากอายุยืน เพราะว่าอายุยืนคือความแก่จริงๆเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าว่าเราเข้าใจนะเข้าใจเรื่องชีวิตเพียงพอเข้าใจธรรมดาของชีวิตเนี่ยให้ความแก่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวน่าวิตกเลยจริงๆแม้แก่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมีชีวิตอย่างผลาสุกมีคุณภาพก็ได้นะเพราะคนแก่จํานวนมากเนี่ย ถ้าว่าเขามีชีวิตที่ดีหมายถึงการดำเนินชีวิตนะที่ถูกสุขลักษณะเด๋ยพราะการมีสัมพัทธภาพที่ดีกับผู้คนมีครอบครัวที่อบอุ่นให้ความสําคัญกับคนที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นคนรักลูกหลานเพื่อนบ้านคนเหานี้เนี่ยเขพบว่าเมื่อแก่แล้วเนี่ยนะจะมีความสุข แล้วก็มีสุขภาพดีแล้วก็มีอายุยืนด้วยอันนี้เคยพูดไปแล้วนะว่าการวิจัยของหลายแห่งรวมทั้งของฮาวเวิร์ดเนี่ยซึ่งเขาติดตามคนอย่างต่อนเนื่องมา80ปีเขาพบเลยนะว่าปัจจัยสำคัญตัวเดียวที่ทำให้คนเนี่ยมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพดีมีความสุขเนี่ยสีน่นคือการมีความสัมพันธ์ที่ดี ไม่ใช่ความสมัยกับครอบครัวอย่างเดียวนะแต่รวมถึงลูกหลานรวมนั่งผู้คนด้วยแต่ก็อย่างว่าแล้วนะในความสัมพันธ์นี่กับผู้คนก็เป็นเรื่องที่ไม่เที่ยงเพราะว่าคนที่เรารักคนที่เราผูกพันน่าจะเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูมาโดยตลอดแต่ถึงวันหนึ่งเขาก็ต้องร่วหายตายจากไปวันนั้นเนี่ยนอกจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีที่อบอุ่น กับคนรอบข้างการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองมอีความรู้สึกที่สามารถจะรักตัวเองได้อย่างแท้จริงหรือว่ารู้จักอยู่กับตัวเองให้ได้เนี่ยอันนี้ก็สำคัญมากคนเราเนี่ยถ้าว่าเราไม่เลยรู้ที่จะอยู่กับตัวเองเลยเนี่ย ถึงเวลาอย่าว่าแก่ชาราเลยนะถึงเวลาเจ็บป่วยขึ้นมานอนติดเตียงก็ดีหรือแม้กระทั่งไม่ป่วยแต่ว่ามันไม่สามารถจะไปพบปะผู้คนได้อย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาสามปีหรือสองปีเนี่ยนะในช่วงที่ l อกดา o w n กันอย่างเข้มข้นเนี่ยหลายคนทุกข์นะทั้งที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเลยเลยทั้งที่มีกินจะดูหนังฟังเพลงยังไงก็ได้ แต่มันเครียดนะเพราะว่าไม่ได้ไปเจอผู้เจอคนต้องอยู่กับตัวเองหรืออาจจะอยู่กับคนรอบข้างแค่ไม่กี่คนจะรู้สึกเบื่อหลาคนรอนี่ถาว่ารู้จักเลืรู้ที่อยู่กับตัวเองให้ได้เนี่ยนะถึงเวลาแก่ชราถึงเวลาเจ็บป่วยมก็ไม่ทุกข์ทรมานมากยิ่งถ้าเกิดว่ารู้ว่าอยู่ไปเพื่ออะไรหรือค้นพบเป้าหมายของชีวิต นะควรจะไม่น้อยเนี่ยพอกเกษียณแล้วเนี่ยมันเคร้งนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมเทีออกก่ยวกันแล้วนะมีเที่ยวที่ไหนก็ไปหมดนะเที่ยวกับเพื่อนก็ไปเที่ยวคนเดียวก็ไปแต่แล้วพอเมื่อไหร่กลับมาอยู่บ้านก็เครง้งเพราะาชีวิตมันไม่มีเป้าหมายตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้จะอยู่ไปทำไม แต่คนแก่เลยคนหนุ่มคนสาวเนี่ยนะถ้าตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรหรืออยู่ไปทำไมอย่างที่เคยเล่าเาเด็กวัยรุ่นที่ป่วยด้วยโรคร้ายแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนเวลาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยไม่พบจุดหมายในการมีชีวิตเลยรู้สึกแย่ห่อเหี่ยวคิดถึงการฆ่าตัวตาย แต่ไมไ่ก็ตามที่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่าวันนี้จะทําอะไรอยู่ไปเพื่ออะไรหรือพบจุดหมายของการมีชีวิตแม้เพียงวันเดียวมันก็ทําให้การมีชีวิตวันนั้นมีคุณค่าอย่างเช่นเด็กคนนี้เขาพบว่าตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเออฉันจะไปเป็นจิตอาสาช่วยนะช่วยสงเคราะห์คนที่มาเยี่ยมโรงพยาบาล น, นะเป็นจิตอาสาอำนวยความสะดวกให้กับ คนต่างจังหวัดที่มาโรงพยาบาลเพียงแค่รู้ว่าวันนี้นะจะทำอะไรชีวิตนี้มีจุดมุ่งหมายอะไรหรือพบจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิตในเพียงวันนี้มันก็ทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้คนเราก็เหมือนกันยิ่งแก่ชาราเนี่ยนะมันก็ยิ่งต้องจำเป็นต้องค้นหาให้พบว่าอยู่ไปเพื่ออะไร ยิ่งเท่าคนที่สนใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยแม้ว่าจะป่วยแม้ว่าจะชารานอนติดเตียงแต่ว่ามันก็อย่างน้อยก็รู้ว่าเรามีชีวิตเพื่อขัดเกาากิเลสตัวเองเพื่อให้กิเลสเบาบางเพื่อให้คนพบสัจธรรมความจริงของชีวิตเพื่อเรียนรู้จากความแก่เรียนรู้จากความป่วยความชาราอันนี้มันก็เป็นจุดมุ่งหมายสาคัญนะของผู้ใฝ่ธรรมเนี่ย การมีหลมหาใจแต่ละวันแต่ละวันมันจะไม่ได้เป็นความทุกข์ทรมานเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้จากรูปจากนามจากกายและใจเพราะต่อใดที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ยังเรียกว่าเป็นผู้ที่ต้องศึกษาเรื่อยไปน่าจะมีอยหนึ่งที่เราต้องศึกษาอย่างต่อนเนื่องตลอดชีวิตเลยก็ได้คือการศึกษาเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องใจให้เข้าใจถึงสัจธรรมความจริงของชีวิต หรือถึงแม้จะยังมองไปไม่ได้ไกลขนาดนั้นก็อย่างน้อยก็รู้ว่าเราจะฝึกจิตฝึกใจให้จิตมันอยู่เหนื อ, อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยมันมีทุกขเวทนาที่มาบีบคั้นกายบีบคั้นกายไม่พอนะเผลอเมื่อไหร่มันก็บีบคั้นใจอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่นะเราทายังไงเนี่ยจะยกจิตให้อยู่เหนือ ทุกเคยเวทนาได้จริงๆตอนแก่ชราเนี่ยมันมีกิจหลายอย่างที่ต้องทำนะเรื่องหนึงคือการปล่อยวางนะปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เคยรักเคยหวงแหนเคยทุ่มเทปล่อยวางสิ่งที่สิ่งที่เคยมีหรือกําลังมีสิ่งที่เคยเป็นหรือกําลังเป็นนะแต่ปล่อยวางไม่พอนะมันต้องไอ้ปล่อยวางสิ่งที่รักสิ่งที่หวงนั่นก็เรื่องหนึ่งนะแต่ว่าการรับมือกับสิ่งที่ไม่รักนะ คือทุกขเวทนานี่ก็เป็นงานใหญ่งานหนึ่งซึ่งมันก็เป็นจุดมาของชีวิตอย่างหนึ่งนะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหรือของชาวพุทธเนี่ยเราจะอยู่กับมันได้อย่างไรอยู่กับทุกขเวทนานได้ด้วยใจที่ไม่ทุกขขณะที่ปล่อยวางสิ่งที่รักลูกหลานนะหรือว่างานการนี่ก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่บางคนแม้จะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้นะแต่ว่าไม่รู้วิธีที่จะรับมือกับทุกขเวทนาน ึ่งที่จริงแล้วมก็ต้องอาศัยการปล่อยวางเหมือนกันนะคือมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็เห็นมันไม่ขเข้าไปเป็นมันไม่ยึดทุกขเวทนาว่าเป็นเราเป็นของเราเห็นว่าเวทนาคือเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเช่นเดียวกับเห็นว่ากายนี้นะกายนี้คือกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างที่เขาว่าเนี่ยเห็นเวทนาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตในจิตนะความหมายน่คือว่าเห็นกายว่าเป็นกายวไม่ใช่เห็นว่ากายเป็นเราเป็นของเราเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาไม่ใช่เวทนาเป็นเราเป็นของเราเห็นจิตว่าเป็นจิตไม่ใช่เป็นเราเป็นของเราซึ่งมันก็นำไปสู่การปล่อยวางนะอันนี้ก็เป็นการบ้านที่ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นคนแก่ไม่ใช่คนเจ็บคนป่วยก็ต้องใส่ใจนะหลายคน อาจจะคิดว่าตัวนี้ไม่แก่นะแต่ว่าหรือคิดว่าอีกความแก่นี้อีกนานแต่ว่าไอ้ความเจ็บความป่วดหรือหรือว่าทุกขเวทนา น, นี่มันมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นแหละคนหนุ่มคนสาวก็เจ็บป่วยได้ยังไม่นับถึงความพัดพร้าสูญเสียที่จริงพระเจ้าก็ตรัสไว้แล้ว น, นะความแก่นี่มันไม่ได้อยู่ในไหนหรอกมันอยู่ในความหนุ่มสาวนี่แหละไอ้ความเจ็บไข้ก็อยู่ในความไม่มีโรคนั่นแหละถึงแม้เราไม่มีโรคก็ไม่ได้แปลว่าไม่เจ็บไข้นะ ในความเจ็บไขยก็อยู่ในความไม่มีโรคถึงแม้เราจะยังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็พึงตระหนักว่าความแก่อยู่ในความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่แหละรวมทั้งความตายก็มีอยู่ในชีวิตเพราะฉะนั้นถึงแม้จะยังหนุ่มยังสาวก็ไม่ใช่ว่าห่างไกลจากความแก่ถึงแม้จะไม่ป่วยก็ไม่ได้แปลว่าห่างไกลจากความเจ็บความป่วยถึงแม้จะมีชีวิตก็ไม่ใช่ว่าจะห่างไกลจากความตายความแก่ก็ดี ความเจ็บปวดก็ดีความตายก็ดีมันมีอยู่กับเราอยู่แล้วหรือที่ว่าจะมองเห็นหรือเปล่า